จะไม่มีไว้ที่ข้างนอกเลยน้ําก็ต้องไว้ในบาดนั่นแหละคือจะเทไว้จะเทใส่ไปในบาดเลยหรือเปล่าหรือจะใส่ถุงเอาไว้ก็แล้วแต่นะเอใส่กระทง n g ก็จะเอาสมัยก่อนกูจะใส่ใบบัวก็แล้วแต่คุณแนหะแต่ทั้งหมดนี่ต้องอยู่ในบาด <c oughs> <c oughs> ส่วนไอ้เรื่องบ้าบอกแล้วว่า เทปนกันเลยคุกกวนกันเลยอันนั้นอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าจะยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกถ้าจะฝึกเราเรียกกันว่าฝึกกินรวมฝึกกินรวมนะทั้งน้ำทั้งของแข็งของเหลวของข้นอะไรเทใส่รวมไปหมดเลยเสร็จแล้วก็ปันป่นปัน่นปั่นถ้ามีไอเหมือนที่เขาตีไข่นะเอามาปันป่นปันป่นปันป่นกวนเลยอันนั้นก็แล้วแต่และ นะ ห, หรือว่าถ้าเป็นภิกษุท่านท่านก็เอาถ้าแต่ก่อนไม่มีช้อนก็เอามือแหละวนวนก ว, นวนอ่าถ้าแมา่แต่ก่อนเนะี่ยก็ใช้มืออ่ะไม่ไม่ได้ใช้ช้อนไม่ได้ใช้ซ่อมไม่ได้ใช้ตะเกียบไม่ได้ใช้อะไรนี่ท่านก็ใช้มือก็มือหยิบอนะ่ะท่านก็คุกคุก ค, ก ค, ก ค, กคกุไปเลยแต่ถ้าไม่คุกก็บอกแล้วไม่คุกก็ไม่เป็นไรนะมันก็รวมอยู่ในบาทถ้าก็หยิบอามาะทีละอย่างสองอย่างท่านก็ฉันไปเรื่อย อาตานี้ข้อที่7เป็นผู้ถือการลงมือฉันแล้วไม่รับเพิ่มอีกห้ามพัดที่เขานํามาถวายภายหลังเป็นวัดคือพูดง่ายๆว่าตอนที่ยังไม่เริ่มฉันอาหารคุณเอามาถวายสมมุตินะคุณเอามาถวายท่านท่านยังอาจจะรับท่านยังจะรับก็ได้แต่ถ้าท่านเริ่มลงมือฉันแล้วท่านไม่รับแล้วกว่านี้นี่เป็นข้อปฏิบัติ ผู้ดงขวัตข้อหนึ่งท่าลงมือฉันแล้วคุณมันจะถวายเนี่ยท่านก็เอาไปเลยให้รูปอื่นไปเลยท่านไม่ฉันไม่รู้จะาหารดีอาหารวิเศษวิโสยังไงก็ตามท่านก็ฉันเท่าที่ท่านมีอยู่อยู่ในบาทท่านตอนแรกเท่านั้นเองแค่นี้แล้วท่านก็จบคุณมาประเคนยังไงท่านก็รับให้อา้าวแต่ถ้าท่านไม่ฉันให้อ่ะนะเพราะฉะนั้น อันนี้คือถ้าลงมือฉันแล้วไ ม, ไม่ไม่รับเพิ่มไม่รับเพิ่มนี่บางรูปท่านอาจจะคุณมาถาวายท่านไม่รับเลยนะอ่าอีกอย่างนึงก็คือรับให้แต่ว่าไม่ฉันให้นะมีมีสองประเด็นอันนี้ข้อที่แปดเป็นผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดนะอันนี้ป่าเราก็ควงเข้าใจนะป่าก็หมายถึงสถานที่สงบสงัดป่านี้ไม่จําเป็นว่า จะต้องมีแต่ต้นไม้ก็ได้เราบางทีเราพูดว่ามีป่าในใจใช่ไแต่สมัยก่อนนี่ป่าเขาก็ป่าจริงๆป่านี่คือป่าจริงๆอะมีต้นไม้ ม, ไ ม, มีสิงสาลาสัตว์มีอะไรนะอันนี้เรียกอารัญอรัี่กังคะนะพูดถืออยู่ป่าเป็นวัดไม่ง่ายนะกูจะไปที่ไหนเนี่ยเกิดมีแต่บ้านเมือง คุณคุณคุณเดินได้คุณเดินผ่านเมืองได้แต่เวลาคุณจะพักค้างอ่างแรมอะไรคุณต้องมาพักที่ป่าคุณจะไปพักที่ตามบ้านตามช่องตามเมืองตามอะไรไม่ได้คุณต้องหาป่าเป็นที่พักถ้าที่ไหนเนี่ยเดินไม่พ้นเดินไม่พ้นระยะทางนั้นะหาป่าไม่ได้นี่คุณเสียตบะเลยตบะคุณเสียเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยานจะต้องคำนวณแล้วว่า ถ้าเดินจากนี่ไปถึงโน่นเนี่ยมันมันพ้นหรือเปล่าไอ้บ้านเมืองเนี่ยถ้าไม่พ้นท่านก็ต้องหาวิธีว่าเดินยังไงล้วถึงจะพ้นหรือว่ามีป่าเราแวกใกล้เคียงตรงไหนที่ท่านจะไปพักได้นะท่านต้องคํานวณข้อที่9เป็นผู้ถืออยู่โคนไม้เป็นวัดคราวนี้ไม่พักที่ชายคาบ้านไม่พักที่บ้านล้างเรือนโลนอะไรไม่พักจะพักเฉพาะที่ ใต้ต้นไม้เท่านั้นนะเราเราก็เรียกว่าโคนไม้เนี่ยพักอยู่ตามใต้ต้นไม้เพราะฉะนั้นต่อให้มีที่หลับที่นอนมีบ้านที่แสนสบายยังไงไม่เอาถ้าไม่พักท่านจะพักท่านจะพักเฉพาะใต้ต้นไม้ข้อสิบเป็นผู้ถืออยู่ที่กลางแจ้งเป็นวัดโอ้นี่อันนี้ไม่ไม่อยู่ใต้ต้นไม้แล้วนะใต้ต้นไม้ยังมีที่ล่มที่บังให้ใช่ไหม อันนี้ปรากฏว่าไม่เลยจะต้องอยู่กลางแจ้งถ้ามีต้นไม้ก็ได้แต่ต้นไม้นี่ก็ไม่ใช่ป่านะต้นไม้นี่เขานี้ไม่ใช่ป่านะคุณจะพักอยู่โกนไม้ก็จะ้แต่คุณต้องอยู่กลางแจ้งต้นไม้ที่มันอยู่ที่โลงที่แจ้งเลยนะหรือไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีแต่ว่าคุณห้ามเข้าล่ม อ, อ่ะคุณจะต้องไปอย่างนั้นไปเลยแต่กลางแจ้งในที่นี้นี่เขาไม่ได้บอกนะว่า ว่ามันมีต้นไม้บ้างได้ไหมอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ในความเข้าใจเนี่ยบางที่บางแห่งก็มีต้นไม้บ้างแหละไอ้ น, นี้หน่อยไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นไรหรอกไม่มีปัญหาแต่ให้อยู่ในสภาพเป็นที่ที่แจ้งพูดง่ายว่าที่ค่อนข้างราบเรียบอะไม่มีต้นมงต้นไม้แหมแสนลมเย็นแสนสบายอะไรนักนะก็ฝนตกมาก็ต้องอยู่กลางแจ้ง อย่าว่าแต่ฝนเลยพายุพะยเราะอะไรมาก็อยู่กลางแจ้งก็ถือถืออย่างนี้แล้วก็ต้องอยู่จริงๆก็สิบเอ็ดเป็นผู้ถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดคราวนี้ก็ต้องหาป่าช้าอยู่เันจะเป็นป่าจะเป็นป่าธรรมดาก็ไม่ได้จะเป็นที่แจ้งจะเป็นที่โคนไม้อะไรไม่ได้เนั้นอ่ะต้องหาถ้าจะเป็นป่าก็ต้องเป็นป่าช้า ถ้าจะเป็นคนไม้ต้องเป็นคนไม้ในป่าชา้าถ้าจะเป็นที่แจ้งก็ต้องเป็นต้องเป็นที่แจ้งในป่าชา้าเพราะอันนี้ถือว่าต้องอยู่ป่าชา้าป่าช้าก็คือสถานที่อะไรที่เขาฝังศพใช่ไหมอันนี้ข้อนี้ท่านก็คงจะฝึกเรื่องของอสุภะด้วยฝึกเรื่องของความกลัวเนี่ยผีสางอะไรต่างๆด้วยฝึกเพื่อที่จะลดกิเลส ต, ตัวกลัวพวกนี้ลงไป เนะพราะฉะนั้นก็เลยต้องถืออยู่ป่าชาเป็นวัดข้อ12เป็นผู้ถืออาศัยในที่พักแล้วแต่เขาจัดให้เป็นวัดแ อ, อนนี้ดูนะอันนี้เป็นตะบะข้อหนึ่งที่บางคนปัจจุบันนี้มีเหมือนกันพวกเราบางคนก็ชอบใช้อันนี้เหมือนกันคือพูดง่ายว่าที่พักอาศัยเราเนี่ยแล้วแต่เขาจัดมาให้ยังไงก็เอาตามนั้น หมายถึงว่าไม่ไม่ผิดศีลไม่ผิดอะไรเรานะไม่ผิดตะบะอะไรเรานะก็หมายถึงว่าอย่างเช่นเขาจัดมาแหมเป็นไอ้เตียงไม้ไผ่อย่างดีโหให้นอนออืก็พักตามนั้นเขาจัดมาเป็นอะไรอ่ะเออเตียงน้อยให้นอนเราก็เอ้าเตียงน้อยก็เตียงน้อยนอนเราก็นอนมันไม่ได้ผิดศีลไม่ได้ผิดอะไรอืหรือเขาจัดมาเป็นเสื่อผือนเดียวให้อย่างเงี้ย อา้าวเสื่อพื้นเดียวก็เสื่อพื้นเดียวก็นอนเสือ่อหรือไม่มีเสือ่อไม่มีอะไรเลยเขาก็บอกว่าอา้าวถ้านนอนในห้องเนี้ยแล้วก็าไม่ไม่ได้ให้อะไรไปอื่นเลยนะสมมตินะอีสมมุติเป็นพื้นอยู่กับพื้นเลยอยู่กับกระดานนี่เลยเราก็เอาก็นอนตามนี้แหละตามที่เขาจัดห้องหับหรือจัดวัสดุอุปกรณ์อะไรที่มันไม่ผิดศีลอะไรให้เราเราก็เอาตามนั้นอย่างงี้ เอาถ้าไปนอนที่มันผิดตบาบ่หรือผิดสีอะไรของเราเราก็นอนไม่ได้สิถ้านอนอย่างนั้นมันก็เสียศีนเสียตาบ่าเราสิใช่ไหมเพราะอันนี้ต้องหมายถึงว่าที่เขาจัดให้เนี่ยมันต้องไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปผิดกับข้ออื่นอ่านะข้อ13ข้อสุดท้ายเป็นผู้ถือการนั่งยืนเดินแต่ไม่นอนเป็นวัดจริงๆก็คือหลับนะหลับ แต่ว่าไม่นอนฟังดูให้ดีหลับอาจจะหลับในท่านั่งอาจจะหลับในท่ายืนหรืออาจจะเดินหลับแมหมเหลือเกินเลยนะถ้าใครเดินหลับนี่กัแต่มีเหมือนกันนะมันหลับชั่วบุบชวบับใช่ไหมอ่มีนะเดินหลับเนี่ยใครใเคยบ้างใครเคยบ้างไหมเดินหลับอา้าวพวกนี้ต้องให้ให้ไปฝึกเดินจงกรมบุติแล้วอาจจะเจอเนี่ยถ้าไม่เดินฝึกจงกรมมาบ้างเนี่ยไม่ไม่ค่อยเจอเหรอก ถ้าฝึกอย่งกลมบังทีเจอคุณโอ้โหทีน่นมิกท่ามันเข้ า, ามากๆยิ่งนะมันเคยเล่าให้พวกคุณฟังเลยอย่าว่าแต่เดินเลยมาแกวงแขนอยู่ที่กุดอะ่ะที่เคยเล่าอะ่ะแกวงไปแกวงมาแกวงอยู่นะแขนยังแกวงอยู่เลยนะแต่มันหายไปไหนไม่รู้โอ้โหมันขมำลงกุดเลยอะ่ะดีที่พอมันขมำลงปั๊บสติมันมาทันทีเลยนะเออเราก็เลยพูดง่ายว่า พอสติมาเราก็รีบกางแข่งกางขาออกนั่นเองมันลน ล, ล, ล, ลงไปเลยนะ <c oughs> เพราะว่าหน้ามันขมาใช่ไหมเราก็เลยต้องรีบกระโดดเลยอ่ะกระโดดเพื่อที่จะเอาขาลงน้ามาเนี่เคยมาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยไปอยู่ที่ภูผาฟ้าน้ํำบรรยากาศมันให้แกขงแขนอยู่ดีดีเนี่ยแกขงไปแขงมาโอ้ยมันหายไปไหนก็ไม่รู้โอ <c oughs> ้โหแล้วมันลงเลยน้ามาต้องกระโจนลงจากกุฏเลย <c oughs> เออนะแต่ว่าอย่างเงี้ยมันมีจริงๆถึงบอกว่าโอ้โหถ้าคุณฝึกแล้วมันมันมีเวลาบางทีบางครั้งโอ้โหถีนมิทาเข้าอย่าบอกใครเนี่ยมันหนักหนาสาหัสกันนะใครไม่ไ ม, ไม่ไม่เคยสู้กับถีนมิทามากมากนะคุณไม่รู้หรอกว่ามันหมันลำบากขนาดไหนถีนามิทาเนี่ยจริงๆยากจริงๆนะอาตมาว่ายากกว่าเรื่องกินสิอีก <laughs> ถีนมิธาเนี่ยแต่บางคนเนี่ยมัน อยู่กับการงานอยู่กับอะไรที่เคลื่อนไหวอยู่กับอะไรที่ต้องคิดต้องปรุงมันก็เลยไม่รู้สึกแต่คุณลองสิเขาเนี้ยประเภท เ, เนี้ยลองให้จับไปไอไอไม่ต้องมีการงานน่ะที่ตัวเองต้องปรุงต้องคิดต้องเคลื่อนไหวอะไรมากเดี๋ยวเห็นผลเลยทันทีรับรองเห็นผลเลยจริงๆเนะี่ยต่อให้พระอาหารหันเนี่ยยังจําได้เลยพ่อท่านเคยพูดเนี่ยที่ว่าแน่แน่แน่แ น, แน่นี่ยนะเดี๋ยวเฮอลองลองจับมาให้ เดินไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเน <c oughs> เดี๋ย่เหอะเดี๋ย่ก็สโลสเล่ใช่ไหมว่าจะเป็นพระอรหันยังไงมันก็บางทีมันก็เหนื่อยก็เปี้ยกก็เพียก็อะไรได้นะอ ม, มันก็จะหลีจะลงได้ <c oughs> ใช่มันหลับไม่รู้เรื่องจริงๆใช่แต่ว่าสติมันจะวายหน่อยถ้าเราได้ฝึกมาแม้แต่เดินเนีเหมือนกันมาเคยเดินจงกลมเนี่ย เดินไปเดินมามันหายไปไหนก็ไม่รู้อัตมาเนี่ยจริงๆนะ่ยที่ที่ส่วนใหญ่ที่ฝึกมาชอบเดินเพราะว่าถีนนพิ t ะลงง่ายเหมือนกันมาเป็นคนที่มีถีนนิทางง่ายมัน เ, เลยมักจะฝึกเดินแต่เดิมเนี่ยตั้งแต่ฝึกฝึกมาเนี่ยส่วนใหญ่ใช้เดินจงกลมไม่ใช่ใช้นั่ง เพราะนั้นถึงบอกว่ามั น, ม, นมีได้จริงๆถ้าถ้าคนเคยเจอก็จะรู้ว่าโอ้โหมันเล่นงานเราแต่อันนี้เนี่ยเนสัตชินะเราเรียกว่าเนสัตชิคือการที่ถือหลับในท่านั่งยืนหรือว่าเดินแต่ว่าไม่ยอมเอาตัวเองนอนลงราบกับพื้นนะอันนี้เป็นทุ ด, ดงควัตรข้อที่13สมัยก่อนพวกเราฝึกกันเยอะเหมือนกันเรื่องนี้ฝึกกันเยอะ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่สังเกตพวกที่ฝึกพวกเนี้ยคือเนี่ยบางทีไม่ยอมไม่ยอมนอนไงก็พยายามหาทานนั่งหาทําอะไรบางทียิ่งใหม่ๆเนี่ยมันพักพักไม่ค่อยเต็มที่พักไม่ค่อยเต็มที่เสียเลยกลางวันเนี่ยบางทีโอ้โหต้องสู้หนักมากเลยเพราะมันจะลงไงตอนกลางวันเนี่ยมันจะลงงั้นโอ้โหบางทีฝืนต้องฝืนมากๆ เวลาที่มันเข้ามามากๆกินนะคุณอะไรๆในโลกนี้เนี่ยรู้สึกมันจะค่อนข้างหมดความหมายโอ้เพราะมันจะอยากจะหลับจริงจมันอยากจะหลับจริงๆสู้ยากมาเคยเล่าให้ฟังเคยไปงานภัยสารีตอนนั้นเป็นคิดว่าเป็นนาคนะตอนนั้นปรากฏว่ามันง่วงมากเลยงานพุทธาพิเศษอู้หู้ง่วงมากๆขนาดพยายาม หยิกก็แล้วพยายามนวดเนื้อหนวดตัวก็แล้วมันยังจะหลับมันยังจะหลับจนทนไม่ไหวเลยต้องลุกขึ้นมาเพราะว่านั่งต่อไปไม่ได้นั่งต่อไปมันหลับก็เลยต้องลุกขึ้นมาออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกเออข่อยยังชั่วหน่อยแต่เดี๋ยวลงอีกละว่วงจริงๆง่วงจนมีความรู้สึกว่าใจใจเราเนี่ยมันเรียกร้องนะหาหาที่นอนดีครับหาที่นอนใจมันจะเรียกร้องอย่างนี้เลย แต่เรารู้ว่าโถ่อยไปนอนอได้ไงเนี่ยคนเขาเต็มไปหมดแล้วใช่ไหมแล้วเราก็เป็นนาคแล้วเนี่ยอุย้ยเราจะไปหาที่หลับที่นอนอยังไงได้มันก็จิตลึกๆมันก็ยังพยายามฝืนพยายามจะสู้ดีที่ตอนนั้นน่ะที่ภัยสาลีนะนะนะครสวรรค์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ ย, ม, ยมันจะเป็นดินดําอะเป็นเหมือนขี้เท้าเลยนะดินเนี่ยละเอียดแล้วก็สีเทาๆ เ, เหมือนขี้เท้า แล้วแดดกลางวันเนี่ยมันสองเนี่ยโอ้โหร้อนมากเลยนะก็เลยบอกโอ้ไม่มีทางอื่นแล้วจะแก้งว่วงเนี่ไปเดินในไอดินพวกเนี้ยโอ้โหเท้าเหยียบลงไปด่สะดุ้งเลยนะสะดุง้งโม่มันร้อนจริงๆร้อ น, นมากๆมันก็เหมือนกับไอแดดมันเผายางมาต่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้นี่มันเป็นดินละเอียดเนี่ยมันจะนุ่มพอเราเหยียบมันจะจมลงไปเลยเท้าเราจะจมลงไปโอ้โหแล้วมันร้อนเนี่ยสะดุ้งตื่นเลยนะ เออยี่ยงทไมเธอุ้งตื่นโอ้โหก็เดินเดินเดินเดินเดินเอาพอมันตื่นพอเรารู้สึกว่าเออตื่นดีแล้วก็กลับเข้ามากลับเข้ามาเนี่ยพอมันเท้ามันหายร้อนแล้ว <c oughs> เออแล้วมันจะลงอีกละอันตรายถึงบอกอืสู้ยากจริงๆไม้ตัวง่วงไอ้ถีนามิทะเนี่ยนะแต่จะให้เห็นว่าเนี่ยนะข้อสิบสามเนี่ยเป็นการฝึกเอตบะหรือฝึกทุดงควัตที่จะต้องต่อสู้มากๆเลย ปากฏว่าอันนี้พระอุปเสศเนี่ยท่านก็ถือธุดงพวกนี้นะมีตบากเข้มข้น13ข้อนี้ด้วยพระอุปเสณกระรกทำธุดงคขวัต1ิข้อนี้แล้วก็ยังชักชวนภิกษุอื่นๆผู้ใคร่ต่อการมักน้อยให้เป็นผู้ถือทรงทุดงคขวัตเหล่านี้ด้วยแล้วพากันไปเข้าเฝ้าพระาศาสดาอีกครั้งดูต้นเรื่องนะตอนแรกท่านโดนพระเจ้าตาหนิใช่ว่าว่าทำไม มีลูกศิษย์ตั้งแต่ท่านแค่ 2, สองพรรษาท่านก็ไปหลีกเล้นฝึกจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอหรหันต์เสร็จท่านก็ถือธุดงคขวัตไม่พอมีพรกพวกเพื่อนฝูงก็ร่วมกันถือธุดงคขวัตนี้ด้วยคราวนี้ท่านก็กลับมาใหม่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าคราวนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามแล้วก็ทรงกล่าวสรรเสริญแก่อุปเส น, นะและพวก ทั้งยังทรงกระทําอนุเคราะห์ไว้อีกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนับตั้งแต่บัดนี้ไปภิกษุผู้ถือทุดงควัรหากจะเข้ามาหาเราจงเข้ามาเฝ้าเราตามสบายเถิดโอ้โหให้ให้เกียรติมากยกย่องมากมันผู้ที่จะถือทุดงสามสบสาข้อเนี่ยนะพระเจ้าถือว่าอยากจะเฝ้าเราตอนไหนเข้ามาเฝ้าได้เลยง่ายง่ว่า ภิกษุอื่นๆเนี่ยไม่ไม่ควรจะมาห้ามมากั้นอะไรนะท่านท่านอยากจะมาเฝ้าผู้เจ้าตอนไหนก็ให้มาได้ตอนนั้นแล้วผู้เจ้าก็ยินดีที่จะที่จะพบปะเลยทันทีนะอันนี้เป็นเป็นคำตัดของผู้เจ้าที่ท่านพูดง่ายว่ายกย่องกับผู้ที่ถือธุดงคขวัดเหล่านี้เพราะพระศาสดาทรงสรรเสริญคุณดังนี้ เราภิกษุเป็นอันมากจึงพากันเป็นผู้ถือธุดงควัดตามบ้างแล้วสละทิ้งของส่วนเกินทั้งหมดทำไมพอจะถือธุดงควัดเนี่ยอย่างผ้าสามผืน อ, อย่างเงี้ยชันมือเดียวหน้าที่นั่งแห่งเดียวอะไรเพราะฉะนั้นไอท้ที่เราอะไรเฟอร้อเฟ อ, อะไรเกินเกินในชีวิตน่ยแม้จะเป็นชีวิตภิกษุก็ตามหรือชีวิตคารวะาก็ตามอะไรที่เฟอ้อเฟ้อเกินเ ก, นก็เริ่มตัดออกเริ่มตัดออกาตมานึกถึง ฟังเทปหมออะไรนะเปี่ยมโชคอะไรอะ่ะที่เขาเพิ่งมาเปิดเมื่อไม่นานเนี่ยที่เขาพูดเรื่องน้ําตาลเน่ยไอ้น้ําตาลทั่วไปก็ไม่เท่าไหร่หรอกเขาพูดถึงน้ําตาลในผลไม้เฉยซ้ําเขานี้โอ้โหบอกว่าเนี่ยน้ําตาลในผลไม้มันก็มีผลอย่างนั้นอย่างนี้ยิงๆอาจมาเนี่ยชอบฉันผลไม้นะรู้สึกเออฉันแล้วมันสบายดีอะ่ะผละไม้แต่พอฟังหมอก็พูดโอ้โหน้ําตาลมันอันตรายมากอย่างเง้ยอย่างนี้ทํ า, าทให้อย่างน้อยเรารู้สึกว่า เออเราก็จะฉันผลไม้น้อยลงฉันให้มันน้อยลงเออมันมีผลเหมือนกันนะทําให้อยากจะฉันน้อยลงอแล้วก็อะไรที่มันจะหวานหวานเนี่ยอะไรที่มันจะหวานหวานอะไรที่มันจะยังไงอ่ะมันคิดว่าจะน้ําตาลมากนะก็ชักรู้สึกว่าชักไม่ค่อยอยากจะฉันมันมีผลเหมือนกันนะไอ้สิ่งเหล่าเนี้ย เพราะฉะนั้นข่าวนี้เหมือนกันผู้เจ้าท่านยกย่องกับภิกษุที่ถือทุตลงควัตรใช่ไหมโอ้ตอนนี้ภิกษุก็เลยพากันอะไรอ่ะพากันอยากประพฤติปฏิบัติทุตลงควัตรสิบสาข้อนี้กันใหญ่เลยเนี่ยลูบนั้นลูบ น, น, นี้ก็ลดละไอของฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยของอะไรที่เกินความจําเป็นเนี่ยพยายามตัดออกกันใหญ่ นะทิ้งแม้ผ้าบางสุกุลบางสุกุลไว้ในที่นั้นๆคือผ้าบา ง, บางสุกุลบอกแล้วบางทีท่านอาจจะมี2ผืนอย่างเงี้ยแทนที่จะใช้ทั้งสองผืนใช่ไหมท่านก็เอาเหลือผืนเดียวอย่างเงี้ยให้มันน้อยลงเอาเพียงเฉพาะ บ, บาทและจีวรของตนไปเท่านั้นพ้วยง่ายข้าวของที่เคยมีเกินเกินความจําเป็นเนี่ยรูปนั้เก่าออกรูปนี้ก็ออกจริงๆแล้วดีนะ เพราะว่าทำให้มักน้อยทำให้สันโดษเนี่ยได้ดีขึ้นได้มากขึ้นอันนี้จริงๆแล้วดีแต่ดูนะขันพระส า, ศ า, ศาสดาสเสด็จผ่านไปยังที่พักของภิกษุทั้งหลายได้ทอดพระเนรเหงสิ่งของและผ้าบางสุกุลเรียราดกราดเกินไปทั่วในที่นั้นๆจึงทรงสอบถามจนทราบเรื่องราวแล้วก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการสมาทานวัด ในทุดงของภิกษุเหล่านี้เป็นของไม่ตั้งอยู่ยั่งยืนได้เลยเพราะเป็นเช่นเดียวกับตะบะธรรมการถืออุโบสถของนกยางฉะนั้นดูน่าจะจริงๆเห็นโอ้โหภิกษุพากนเอาของออกนะไปเห็นเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยจริงๆดูแล้วน่าจะดีใจนะน่าจะภูมิใจแต่ผู้เจ้าเห็นแล้วปรากฏว่ากลับบอกว่าอย่างเนี้ย พวกที่ถือทุตดงกขวัตแบบนี้จะถือได้ไม่ยั่งยืนจะถือได้แค่สั้นๆเท่านั้นเองแล้เหมือนกับตะบะ ร, รมหรือว่าเหมือนกับการถืออุโบสถของนกยางแล้วทรงนำเอาเรื่องการถือศีลของนกยางมาตัดเล่าว่าเนี่ยนกยางเนี่ยถือศีล ห, หรือว่าหรือว่าตั้งตะบะยังไงนะท่านกำลังจะสอนแล้วทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ย การสมาทานธุดงขวัตเนี่ยคือการถือเอาข้อเข้ม <K _ d> um> เข่งคลัด <K _ d> um> ในศีลพวกนี้นะเอามาถือประพฤติถือปฏิบัติจริงๆแล้วดีถูกต้องไหมดีทำให้มักน้อยทำให้อ่ของที่ฟุงเ ฟ, ฟ้อเหอเหื อ, อ, อ, อมอะไรเนี่ยลดลงแต่ดีจริงนะแต่ฮะ <K _ d> um> ก็ไม่ยาวนานเดีแต่มันอะไรอะ่ะที่จะทำให้ไม่ยาวนาน เ, าเราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นอของจิตนะจริงๆการจะถือศีลการปฏิบัติธรรมการมีตาบะอะไรต่างๆคนที่จะ ป, ปฏิบัติธรรมได้สูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็บรรลุได้เนี่ยจิตต้องละเอียดขึ้นเรื่อยๆถูกไหมจิตยิ่ง ต, ต้องละเอียด จ, จิตต้องดีจิตจะต้องหยาบน้อยลง กิจจะต้องหยาบน้อยลงแต่ปรากฏว่าภิกษุพวกนี้โอ้โหตั้งใจจะถือให้ละเอียดขึ้นถือให้สูงขึ้นแต่พฤติกรรมที่ทำออกมาจะยังหยาบข้าวของควรจะเก็บหรือว่าควรจะบังสกุลเอาไว้ให้มันเป็นที่เป็นทางใช่ไหมเออให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยให้มันดีแต่อันนี้วางอิเลเกคาอาจจะสมมติเนี่ยอ่ะอย่างนี้ฉันไม่ใช้แล้วเอาฉันวางไว้ที่พื้นบงัง ชั้งวางไว้ที่โต๊ะบัง่งชั้งวางไว้ที่กดบ้างชั้งวางไว้อะไรเงี้ยคือคือคื อ, คอพูดงา่ายว่าซีซัวทิ้งถ้าภาษาทุกวันนี้คือซีซัวทิ้งซึ่งอันนี้เนี่ยเนี่ยแสดงสภาวะจิตเหมือนกันว่าอ่าอย่างนี้นี่พูดง่ายบางทีอาจจะทําตามแฟชั่นอาจจะเหอนะพระเจ้าทา่านสรรเสริญอย่างนี้ก็ทํำตามตามจิตไม่ได้ละเอียดไม่ได้เข้าใจจริง เพราะจริงๆผู้ที่จะมาถือศีลแข่งขึ้นเนี่ยก็เพื่อให้จิตละเอียดขึ้นแต่ในขณะที่อยากจะได้ความละเอียดขึ้นแต่กลับกระทาหยาบไออย่างนี้แสดงว่าไม่ไม่เข้าใจเป้าไม่รู้วัตถุประสงค์ว่าทำไปเพื่ออะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นพูะเจ้าเลยบอกเลยถ้าทำอย่างนี้ไม่ยั่งยืนเน่จะได้แค่สั้นๆคำว่าสั้นๆนี่หมายถึงว่าเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ล้มเหนว นั่นเองนะตอนนี้ผู้เจ้าท่านก็เลยตัดเรื่องการถือตะบะของนกปะยางอ่ะนะนกยางอันนี้เขาใช้นกยางนะเขาไม่รู้ว่านกยางกับนกกะยางจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้นะอันตราไม่รู้ว่าจะเหมือนกันไหมอันนี้อ่านตามตามที่เขามีในพระไตรปิฎกอ่ะนะในอดีตการนานแล้วมีนกยางตัวหนึ่ง อาศัยอยู่ที่หินดาดใกล้ฝั่งแม่น้ําคงคาไม่รู้อีกเรืองการหินดาดเป็นยังไงใครรู้ไหมหินดาดเป็นยังไงเขาเขียนอย่างเงี้ยดาดนี่ดาดาฟ้าเนี่ยเอาละให้รู้ว่ามันเป็นก้อนหินแล้วกันนะแล้วเขาเขาเรียกว่าหินดาดปรากฏว่านกยางตัวเนี้อาศัยอยู่ที่หินดาดใกล้กับฝั่งแม่น้ํำคงคาคราวที่น้ําหลากท่วมท้นล้นฝั่งแม่น้ําคงคานั้น ทำให้การสแสวงหาอาหารของนกย่างฝึกฝืดเครื่องจัดไม่อาจาสัตว์ใดจับกินได้เลยแม้น้ำก็เปี่ยมล้นอยู่นั่นเองไม่ยอมลดลงโดยง่ายนกย่างจึงเกิดความคิดขึ้นว่าก็เราเวลานี้ไม่มีที่สแสวงหาอาหารไม่รู้ทางอื่นที่จะไปสแสวงหาอาหารเขากล่าวกันว่าตะบะธรรมหรืออุโบสถกรรม คำว่าอุโบสถกรรมนี่หมายถึงการถือศีลแปดนะหรือถืออุโบสถศีลนั่นเองนะเห็นทีเราจะต้องถือปฏิบัติบ้างแล้วหมายถึงว่าอันเนี้ยนกยางเนี่ยคิดนะว่าเอ๊ะตอนนี้ก็หาอาหารอะไรไม่ได้ไม่รู้จะไปหายัางไงนะก็เลยบอกว่าเขากล่าวกันว่าตาบะรมหรืออุโบสถกรรมเป็นของประเสริฐเห็นทีเราจะต้องถือปฏิบัติบ้างแล้ว เพราะยังดีเสียกว่าการนอนอยู่บนหินดาดอย่างผูวง้ว่างงานเช่นนี้คือพูดง่ายๆก็ไม่รู้จะไปหากินยังไงเพราะมันเหมือนกับน้ำท่วมบรลาดน่ย <c oughs> นะก็คือว่ามันมองแล้วมีแต่น้าอะนะนกยางเนี่ยอยู่บนหินดาดแสดงว่าหินนี่ต้องสูงแหละต้องสูงใช่มน้ำท่วมไม่ถึงก็เลยนอนแซวว่าไอ้ที่อื่นๆก็มีแต่น้ำก็ไม่รู้จะไป หาอาหารอะไรยังไงอะนะก็เลยคิดว่าไหนๆก็ไปห า, าหารอะไรไม่ได้ต้องนอนแขกอยู่บนไอ้ก้อนหินก้อนนี้แล้วเพราะฉะนั้นใครๆเขาบอกว่าพูดง่ายว่าตั้งตบาบะถือตบาบะได้เนี่ยมันดีอันนี้เห็นด้วยนะนกยางนี่เห็นด้วยว่าเออตั้งตบาบะนี่มันดีเพราะฉะนั้นก็ก็ไหนๆก็ต้องนอนอยู่วนหินนี่แล้วก็ตั้งตบาบะนะแล้วจึงอธิษฐานก็คือตั้งจิต ตั้งตบาบะรมถืออุโบสถ ด, ด้วยใจปฏิบัติศีลด้วยการนอนนิ่งอยู่บนหินดาษนั่นเองนี่คือการตั้งตบาบะตั้งตะบะว่าตั้งตะบะว่าอะไรคือคือคือจะถือศีลแปเนี่ยพูดง่ายๆอนะะถือศีลแปเนี่ยแต่ถือศีลแปดโดยการนอนอยู่บนก้อนหิน <c oughs> <c oughs> เอ <c oughs> เ อ, เอก็นอนอยู่อย่างนั้นแหละ นะแต่ถือศีลแปมมันน่าคิดนะถ้าใครแบบว่าจะถือศีลเพิ่มเนี่ยนะโดยที่ถือศีลเพิ่มโดยที่ไม่ไปทําอะไรเลยถือศีลเพิ่มโดยการอยู่เฉยๆอันเนี้ยแสดงว่าคนนั้นไม่เข้าใจเรื่องของการถือตบ่าหรือไม่เข้าใจเรื่องของการถือศีลถูกไหม <S <S บอกแล้วการที่เราจะถือศีลเพิ่มหรือการที่เราจะตั้งตบาบ่าเนี่ยเพื่ออะไร ฮะเออเพื่อที่จะจะลดกิเลสที่เรามีถูกไหมแล้วมันก็เลยต้องต้องสู้กับภาาัสสะเพราะว่าภัสสะเป็นตัวดึงกิเลสออกมาให้เห็นตอนนี้เนี่ยตั้งจิตว่าจะถือศีลหรือว่าจะลดละกิเลสเพูดง่ายๆโดยการนอนอยู่เฉยๆพูด <c oughs> ง่ายไม่มีภาาัสสะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแล้วอย่างนี้มันจะไปเรียนรู้กิเลสยังไงแล้วจะไปสู้กับกิเลสที่ตัวไหนอะ กนอนอยู่เฉยๆมันไม่ได้ต้องไปสู้กิเลสอะไร น, นี่นะแต่นี้ก็เลยก็เลยนอนอยู่บนก้อนหินนั่นเองฝ่ายเท้าสักกะเทวราชนะเท้าสักกะเทวราชเนี่ยพูดง่ายก็คือเทวดาผู้เป็นใหญ่สักกะนี่แปลว่าใหญ่เทวราชก็คือหัวหน้าของเทวดานั่นเองเพราะฉะนั้นเท้าสักกะเทวราชเนี่ยหมายถึง หมายถึงเทวดาก็คือคนที่มีจิตใจสูงจิตใจประเสริฐนะจิตใจที่ดีดีแล้วนะเราก็ยกให้เป็นเทวดาเพราะฉะนั้นข่าวนี้เนี่ยไม่ใช่เทวดาธรรมดาเป็นสักกะด้วยเป็นเทวดาที่เป็นใหญ่หมายถึงเป็นคนดีอา่าเป็นหัวหน้าของคนดีเป็นคนดีระดับผู้นําเลยทีเดียวนันก็ปรากร์เนี่ยฝ่ายเท้าสักกะเทวราช ได้ทอดพระเนตรพฤติกรรมหลงผิดในตบะธรรมของนกยางแล้วด้วยพระไทยเมตตาที่ทรงคิดจะสั่งสอนจึงทรงแสดงอนุภาพแปลงกายเป็นลูกแพะไปยืนอยู่ใกล้ๆบริเวณหินดาษนั้นเอาแล้วนะตอนนี้อันนี้ก็ตามอะไรอ่ะท้าวสักกาเทวราชก็เหมือนกับเทวดาแปลงกายได้ แบ่งร่างได้คือพูดง่ายๆว่าคนดีคนที่ใครๆก็เชื่อถือเคารพเชื่อฟังเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยมันง่าย